คือคนเข้มแข็งความทุกยากลำบากทำให้เขาเข้มแข็งขึ้นฉะ น, นั้นท่านอาจารย์วสินอินทศร้าแม้ว่า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 ไปการเคลื่อนไหวด้วยก็ยิ่งดีนอนก็ปฏิบัติธรรมได้ยืนก็จเจริญสติได้นั่งก็จเจริญสติได้เดินหรือกระทำอะไรก็ตามเนี่ยให้มีสติอยู่กับปัจจุบันขณะนั้นก็ถ้ากับว่าเราจเจริญสติได้แล้วทุกกิริยาบททุกอา ก, อาการของกิริยากายและก็ใจเราสามารถที่จะ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 จะมีอาการคล้ายๆกันมีการเดินก า, ดการเดินการเคี้ยวการเคลื่อนไหวอาบน้ําแต่งตัวซักผ้ากวาดพื้นอะไรเนี่ยเรามีเรียบทคล้ายๆกันซ้ําๆกันเราพยายามถือโอกาสเอาอิรยาบถเหล่านี้มาฝึกจิตฝึกใจของเราอยากเคลื่อนไหวฟรีๆอย่างเช่นว่าเนี่ยสมมติาาว่าเราทานข้าวเนี่ย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 วิตกกังวลเราดูสีหน้าก็รู้มือกำลังตักข้าวเข้าปากแต่ใบหน้าเนี่ยเคร่งเครียดกังวลเนี่ยอันนี้แสดงว่าขาสติในการทานข้าวเป็นทุกข์ในการที่กำลังทานข้าวทั้งที่อาหารนั้นก็ดูแล้วน่าจะอร่ อ, รอยอร่อยแต่ว่าใบาหน้าเนี่ไม่บอกเลยว่าอร่อยบอกถึงความวิตกกังวลอย่างนี้นจะสู้แมวไม่ได้นะเนี่ย แมวนี่มันกินปลาทูอย่างเอร็ดอร่อยเพราะเราขาดสตินี่เองบางท่านนี่ก็ทานข้าวด้วยความรีบร้อนรีบเร่งดูแล้วลุกเรี่ลุกหลน่นไม่งามขาดสติเราจะรีบไปไหนบางครั้งเราไม่ต้องรีบร้อนก็ได้เพราะชีวิตของเราเนี่ยเราเกิดมาเพื่ออะไร ไม่ใช่เกิดมาต้องรีบแล้วก็รีบแล้ววันไหนจะเลิกก็รีบสัทีให้เรามาทานข้าวอย่างมีสติทานเร็วก็ได้ให้มันรีบเย็นซะบ้านอย่ารีบร้อนเนี่ยอันนี้แต่แล ว, ว่าขาดสติดูแล้วไม่งามบางท่านเนี่ยดูอาการทานข้าวก็รู้ว่า อ, ร, อร่อยแต่ว่าเป็นความอร่อยที่ขาดสตินะ ลุกเลี้ลูกหลนไม่งามคล้ายๆกับอาการของคนตะกระตะกลามอยนะ่างนั้นแหละดูแล้วก็เหมือนจริงๆนะสมัยช่วงปีใหม่นี่ก็จะต้องมีการทานขนมเค้กตักเค้กแล้วเอาช้อนจิ้มกับไว้ที่เค้กตักขึ้นมานะบางทียังไม่ทันถึงปากเลยขนมเค้กร่วงใส่บนที่แขนแล้วก็ รีบเอาแขนที่มีเคสวางยกขึ้นมาที่ปากแล้วก็งับเหมือนอาการเมื่ อ, อไรไม่ทราบดูแล้วไม่งามนี่เป็นอาการของคนขาดสติทางนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดสติเมื่อไหรนะ่ล้วก็มันจะไม่งามาดูแล้วไม่งามดูพระคุณเจ้าเวลาตั้งฉันฉันเรียบร้อยฉันยังมีสติสำรวมงดูเรื่องงามเราเห็นก็ศรัทธาถ้าเราทานข้าวอย่างขาดสติ ทานอาหารหรือดื่มน้นอย่างขาดสติเนี่ยมักจะมีความผิดพลาดนะผิดพลาดในงานนั้นๆั้ น, เ น, นีเราเคี้ยวอย่างขาดสติ Ihre เคี้ยวลิ้นของตัวเองบ้างกัดลิ้นกัดริมฝีปากอันนี้ก็เกิดจากการรีบร้อนขาดสติตั้ง น, นั้นอันนี้คือทุกโทษของการขาดสติในการที่รัง่านอาหารรีบเคี้ยวท้องขึ้นท้งอาาท ง, ทงอื่นอ า, าอาหารยังไม่บดละเอียดอย่างเรียบร้อยเลย รีบกลืนเข้าไปเสร็จ แ, แล้วมันก็เกิดอาการเป็นทุกข์ท้ด้านร่างกายใจเราก็พอยเป็นทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นเราลองมาจเจริญสติปาการทานอาหารดูก่อนเนตรียมตัวอย่างเรียบร้อยอาหารตั้งเอาไว้ตรงหน้า เ, เราก็ให้รู้สึกตัวอยู่ในหน้าที่ที่กำลังทานอาหารของเราให้รู้รอ บ, รอบ รู้แบบคลุ่มๆแบบ ร, มรวมๆไปก่อนอย่าเพิ่งไปเพ่งไปจ้องในส่วนในส่วนหนึ่งรู้อยู่ในหน้าที่ของการทานข้าวรอบโต๊ะรอบตัวของเราเให้มีปัจจุบันในตรงนั้นก่อนเน่ทใหม่ๆ ใ, ให้เริ่มรู้ตรงนี้ก่อนพอเรารู้ไปนานๆเนี่ยเราจะรู้ละเอียดขึ้นนีละเอียดยังไงจับช้อนก็รู้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 ใบหน้าต้องสดใส ย, ยิ้มยิ้มเนี่ยปฏิบัติไปทำยิ้มยิ้มไปเนี่ยจะได้มีความสุขในการปฏิบัติดังที่พุทธภาษีกล่าวไว้ว่าธรรมะที่ปฏิบัติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้